โดยที่ไม่มาขอให้มาโดที่ยังไม่มาโดยที่มาแล้วให้อยู่เป็นสุขมาช่วยกันปฏิบัติธรรมสร้างสิ่งแหวนล่องให้ต่อส่วนรวมต่อตัวเอกต่อสิ่งอื่นวัตถุอื่น ชีวิตของเราก็เกี่ยวข้องกับเสียงเหล่านี้มากเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงต้นไม้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของป่ามันก็พยายามซอนราก นำออกซิเนลงไปในดินจะให้ดินมันดีแล้วก็มันก็ยังสลัดใบร่วงหล่นลงมาให้มันเป็นปุ๋ยต้นลเล็กๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่คอยคุมพื้นดินไม่ให้แห้งแม่ที่กิ่งไมแ้แห้งๆจะมันหักหล่นลงไป ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ห่วงกันการไหลเช็คของนอนหน้าดิบชนใหม่ชนโตๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนของชนใหมเ่เล็กๆที่เกื้อคูณกันเราก็เป็นส่วนหนึ่งละ่ะของสังคมของชุมชนของพระพุทธศาสนาที่จะต้องสร้างอะไรให้มัน เิดประโยชน์อะไบ้างตามฐานะที่เราได้เกิดมาไม่แต่พระสงฆ์ภิกษุภิกษุณีที่วัดเราก็มีภิกษุณนเนี่ีสามเณรดีกว่าศพกว่าศิกาเราเป็นส่วนหนึ่งของปกติศาสตร์าสนามาตับผิดชอบเอากัน อางานเอาการคนเพื่แก่ผู้เท่าผู้่านกลางผู้มีอายุเป็นบิดามารดาพ่อแม่ปัญญาศาสนาลูกหลานก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องช่วยกันคนแจ่ผู้เท่าเขาวัดฒน า, าเป็นแบบอย่างให้ลูกให้หลานได้เห็นถ้าไม่มีแบบอย่างไม่เอากัน ใครไปเราไม่มีส่วนรวมมันก็ลำบากเกิดการแตกสลายสุ่มชนสังคมแล้วก็โดยเฉพาะตัวปฏิบัติธรรมแล้วมันเป็นอ่าส่วนรวมมันเป็นการลงตัวทำไมทุกคนมาอยู่ตรงนี้ ต้องปฏิบัติธรรมแล้วความชั่วทำความดีก็ต้องมารวมกันอยู่ตรงนี้ถ้ารวมก็ได้ตรงนี้ก็มิตรภาพเกิดขึ้นสันตภาพเกิดขึ้นตลอดถึงเกิดถึ้งมกุฏนิพพานศาสนาพระศีลอริยเมตตาเราคนเป็นคนเดียวกันการปฏิบัติธรรมทำให้คนเป็นคนเดียวกัน เห็นเรามีสตินทุกคนก็มีสติรู้สึกระลึกได้เราเราอยู่วัดป่าสุประตทุกคนมีสติกําลังเจริญสติกําลังยกมือช่างจังหวะกําลังเดินจังกรโน่นอยู่ปฏิร้องโน่นหลวงพ่ออยู่ปฏิร้องโน่นหลวงพี่เอไอจัน วิวัโสวาสิตาจูกติหลังโน้นคนมีสติมีสติก็เหมือนคนคนเดียวกันแต่ถ้าเราขาดสติก็เป็นคนลบคนไปแล้วคิดไปทางไหนก็ไม่รู้ถ้าเรามีสติมันก็ละความชั่วมันก็ทำความดีเราคิดมันก็จะบริสุทธิ์เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาสมาธเนี่ย สิ่งที่เราทำาดี่ยวนี้มันทำแเ่นี่แต่มันกว้างใหญ่ไปสามคนในประเทศไทยเร า, เาหกสิบกว่าล้านคนทุกคนมาทำงาน่าเจริญเสถอยรก็จะเกิดสิงแวดล้อมที่ดีการใช้ทรัพยากรใช้กายใช้วัตถุอะไรก็ไม่ชิ้นเผืืองถ้าเรามีความรู้สึกตัว เราจะรู้จักสับรวมไม่ปุ่มเพอร์ปุ่มป่วยอไในชีวิตและวัตถุสิ่งของวืตเราก็ไม่ค่อยเก็บไข้ได้ป่วยไม่อภายเม่ไม่อภายก็ไม่ต้องเชื่เครื่องไปหาหมอหมอเขาต้องไม่เป็นพระ ต, ะต่อเราจะต้องมาใช้ทรัพยากรของโลกของประเทศชาติไม่เลียวอย่าง การเจ็บป่วยของเราพอเลยเกิดผลพดีขึ้นหลายอย่างแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติทำแล้วก็ไปกินเหล้าทุบพีเกิดโรคไข้ไข้เจ็บประโภคบริโภคปัจจัยเป็นสังคมบริโภคมากขึ้นไปมันก็ขึ้นเปือน ใครได้ก่อยโดยเฉพาะโลกทางเดินอาหารปีละหกหมื0นเจ็ดหมืนล้านบาทต้องไปงบประมาณมาช่วยเหลือเรื่องโลกอาหารของคนที่เรากินลงไปให้รู้จักสำรวมและวัดรอนปีละหกหมื่นเจ็ดหมื่นล้านบาท เราก็นั้วก็โลกอะไรที่มันเกิดโลกเอะถึงไรยใหญ่โลกมันเล็งแล้วก็โลกโอบัติเหตุบนถนน่าไรก็ไม่โลกสิ่นเงินสิ้นทองระงานเอาทองไปซื้อรถมาแล้วก็มาชนกันแล้วก็ผิดห้ายไว้ออก็อดเป็นรเร็จหล็กๆแล้ว ในความรู้สึกตัวค่อยไปค่อยมาเดินทางก็เป็นสติโดยจะหลบโดยจะหลีกไม่รีบร้อนนี่เราก็หาความปลอดภยดัยระยากเรามีสติมันก็ยังไม่ปลอดภยัยเราจะต้องไปชวนกันในรายได้โกรเจกตสติเดินทางด้วยกันด้วยความมีความรู้สึกตัวโดวยการมีความรู้สึกตัว ทุกคนก็ปฏิบัติธรรมอยู่ก็ปลอดภัยมันจึงดีคนเดียวไม่ได้จึงมาชวนกันเช่นวางครอบรัวอาจจะนีะ่รักษาองกันยุงลายไม่มีภาชนะที่ขังน้ำนอนกลางมุม่งปลอดภัยในครอบรัวแต่ว่าบ้านข้างเคียงเรายังไม่ได้ดูแลอะไรนอนใต้กลางมุม่งปล่อยให้ลูก นอนอยู่ในห้องโยงลายกัดเป็นไข้เลือดออกโยงก็มากัดเด็กน้อยไปกัดคนอื่นก็ติดกันไปจึงเป็นส่วนของสังคมพวกเราดนะ้วย่าทิ้งกันเถอะไปอยู่ทิศไหนทางใดประเทศไหนเมืองใดชาติรัทิศนิจายเพศวัขอให้เรามาร่วมกันโดยเฉพาะตัวปฏิบัติทำมันเป็นส่วนรวม ทำให้เกิดคุณความดีหลายๆยอย่างสิ่งแวดล้ลอมความสมดุลก็เกิดขึ้นหลายอย่างเศรษฐกิจ ส, สังคมสุขภาพก็ดีพราเราอะไรให้จ่ายชีวิตพึ่งเพื่อ พ, อพุ่มควรนั่นจึงเป็นสิ่งที่ควรที่จะโคตาและ ต่อกันเอาไปต่อให้คนนู้นคนนี้ไปช่วยกันเผยแพ่ช่วยกันบอกกล่ยาวช่วยกันปฏิบั ต, บติให้เกิดคุณภาพคุณธรรมขึ้น ม, มาในชีวิตเราเมื่อวันเกิดคุณภาพคุณธรรมในชีวิตเราแล้วมันก็เกิดไปเองโดยตามธรรมชาติไม่ต้องมีคําสั่งมันเป็นหน้าที่นะ แต่้อหรือล่นไปเองดอกมันเราได้อะไรมาคิดถึงแต่ลูกเท่าไหรสำหรับของพ่อแม่ได้อะไรมาคิดถึงลูกก่อนมันมีน้ำใจคนมีธรรมประกันกันมันมีน้ำใจมันเป็นญาติคนทั้งโลกแม้แต่เม็ดหินเม็ดดินต้นไม้มั น, ม น, น, นมก็ไม่เบียดเบียนมันมดมแมลงมันไม่เบียดเบียนหรอกเพราะมันเป็นญาติกันเกิดอ๋อ ความรักกว้างใหญ่ไพศาลใครมีน้ำใจมันมีน้ำใ จ, จาการปฏิบัติธรรมเพราใจมันดีนะถ้ามันใจดีแล้วมันก็มีอะไรดีๆไปหลายๆอย่างนะก็เกิดเมตตากราุณาเผื่อเสือเผื่อแพ้ไปเองคิดจะช่วยแต่คนโน่นคิดจะช่วยแต่สิ่งโน่นสิ่งนี้นะคนมมีน้ำใจ อันให้มันมีอย่าให้มันขาดแคลนในชีวิตเราถ้าขาดแคลนเรื่องนี้ก็หลายหลายอย่างที่ต้องขาดแคลนลงไปขาดแคลนความรู้สึกตัวขาดแคลนความเมตตาคุณานะขาดแคลนคุณธรรมแล้วมันก็เหมือดแห้งไปหลายๆลายอย่างไม่มีน้ำใจต่อใครไม่แต่ ถ้ามันขาดแคลนแล้ว่าสามีพัญญาก็ไม่มีน้ำใจต่อกันพ่อแม่กับลูกก็มันไม่มีน้ำใจต่อกันสังคมก็ไม่มีน้ำใจต่อกันปล่อยกันทิ่งทิ่งเพ่งกว้างแล้วเรื่องกำลังจะเกิดขึ้นได้ด้วยแล้วเคยได้ได้ยินชาวบ้านหลายคนโดยเฉพาะคนแก่คนมีอายุโรคเตา่าระบบครอบครัวร่มฉลาด ในแต่การเลี้ยงลูกทวนเนี่ยนะมันก็มันก็ไม่ใกล้ใกล้คิดเหมือนคนโบราณเด็กไม่ร้องให้ตามพ่อตามแม่เวลาพ่อแม่มาส่งเด็กน้อยโลกน้อยสองสามปีมาโรงเรียนโล ก, ก็เฉยไม่ร้องให้มันเฉยอะไรก็เฉยเหมือนโลกเป็ดเห็นแม่เป็ดเหมือนโลกแมวเห็นแม่เห็นพ่อแมว พ่อแม่เห็นลูกก็เฉยลูกเห็นพ่อแม่ก็เฉยไม่เฉยก็ไม่ทำความดีต่อกันถ้ามีปัญญาเห็นกันเฉยไม่ไม่ค่อยรับิดชอบว่าสองสามเดือนก่อนมีคนจากจังหวัดส ต, ตูอลอำเภอละเมอมาปฏิบัติธรรมเดือน เติเดเตืดนี่นี่ปัญญาเํามาย่ำพอปัญญามาเยี่ย ม, อญญ ม, ยยมกอดไหลจับไหลปัญญาปัญญาเขอชื่นใจเพราะว่าสามีเขาไม่เคยทำแบบนั้นแสดงว่าเขามีน้าใจแต่ตือนรุ่นโกรธความเห็นหนกเห็นใจก็มีสมัยหนึ่งสมัย หลวงพ่อเผยแผ่ธรรมะใหม่ๆสมัยปีสิบสามสิบสี่ไปสอนธรรมที่บ้านมีพี่น้องคนหนึ่งก็มาปฏิบัติธรรมเขาเลิกสูบุรีเลิกกิดเหล้าพอเขาเลิกสูบุรีเขาคิดเห็นโทษบุรีคิดเห็นที่เขาไปเบียดเดียด ภรรยาของเขาต้องตัดต้องต้องหาบุรีมาให้โศกต้องทะเลาะกันพราะบุดรหลายพังหลายทางเคยทะเลาะกันแล้วเคยเคยเป็นพลรตาตา่อภรรยาต่อลูกตัวนพอเขาเริ่มได้เขาโฉมสารภรรยาเกิดความรักเกิดความเห็นอกเห็นใจ เขาพันาเขาก็บอกว่าโอ้พ่อไม่ลูกเป็นยังไงตอนนี้เลยซื่อไม่แต่ผ้าถุงมาให้ซื่อเชื่อมาให้ซื่อเอสื้อซื่อผ้าถุงมาให้เนี่ยเก <c oughs> <c oughs> ิดความเห็น อ, อกเป็นใจถ <c oughs> ้ามันละอดไตได้ที่มันเป็นความชั่วที่เคยทำผิดผิดถูกถูกกับตัวเองกับคนอื่นนั่งก็ เกการเปลี่ยนแปลงก็เกิดความเห็นอกเห็นใจกันะเกิด ค, ความรักกันไม่มีแน่นอนคนเคยกโกรธกันก็หายกโกรธคนเคยเกลียดกันก็หายเกลียดคนเคยผูกทอดเที่ยงเคยทําอะไรต่อกันที่ไม่ดีไปไงานก็จะใช่นี่ใจใช่นี่สังขง์ขมแม่ไม่ได้ใช่นี่ ของคนที่โราโกรธเขาตายไปแล้วเราก็ใช้ให้คนอื่นกันมันคนหนึ่งที่เขาเป็นนักเขียนเข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วปัญญาเขาเป็นคนที่ป่วยสังคมช่วยเหลือเมื่อสังคมช่วยเหลือเขาช่วยสังคมไม่ได้อาลูไปช่วยใครจะไปช่วยใครที เพื่อจะช่วยได้สองบุญแบบแล้วเลยบอกว่าขออุทิศชีวิตเพื่อเขียนภาพเขาบอกเขามาสองสามวันนะนะเราจะขออุทิศชีวิตเพื่อเขียนภาพในโบสถ์ฝาผนังโบสถ์วัดหัวขอทองเพราะว่าโบสถ์วัดหัวขอทองเขถืข อ, ถอถว่าเป็นส่วนรวมครับเราจะขอเขียนภาพถวายให้ โบสถวัดปู่ขอทองเพื่อใช่หนี้สังคมอะมันก็คิดไปกันก็นเองแม้แต่การปฏิบัติ<ม>ธรรมไม่ได้ใช่อะไรก็ตาม <c oughs> จะใช้ชีวิตที่ไม่เบียดเบีนยนใครแตมีลมหายใจอยู่กี่เดือนกี่สิ่งก็จะพยายามใช้ชีวิตที่ไม่เบียดเบีนยนใครนั่นเป็นความดีมาปฏิบัติธรรม็นําไปฝาก ใครต่อใครผูกมีชาตีพัญญาก็นำไปฝากสามีภรรยาผู้มีพ่อมีแม่ก็นำไปฝากพ่อแม่ผู้มีลูกไม่ล้านก็นำไปฝากผูกฝากลานผู้มีเพื่อนมินิดก็นำไปฝากเพื่อนฝากติดทำให้น้อยก็เย็นให้พขดูกลับไปบ้านก็แม่ประเทศคนพ่อก็เย็นกวเก่าสามีพัญญาก็เย็นกวเก่าลูกต่อก็เย็นกวเก่า มันก็กระทบในทางที่ดีเป็นผลกระทบมันต้องดีแน่นอนเรามีสติเรารู้สึ ก, กเรารลืล่ลได้นะก่อนปูกก่อนทำกอนคิดเคยหน้าดำํำเครียดเคยวุ่วามผลผันพันแรกก็หยุดหยุดเย็นเย็นเราได้คอยได้ทำให้คนอื่นวางใจเห็นหน้าเห็นตากูวางใจ มันเป็นไปท่านองนี่นะการปฏิบัติธรรมมันไปเอากัดไปเอาสังคมไปช่วยสังคมไม่ใช่หนีผู้หนีคกดไปช่วยกันไปบอกกันไปทำให้ดูอยู่ให้เห็นพูดให้ฟังไปชวนกันปฏิบัติธรรมชวนกันเจริญสติไม่ชวนไม่ได้ก็ต้องทำด้ว่นั้นนหะ เป็นลูกตุ้มน้อยเราก็ทําประโยชน์ตัวเราทําประโยชน์ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นเราจะช่วยตัวเองช่วยคนอื่นปฏิบัติทำอยู่เช่นนั้นเริ่มแรกจากการปฏิบัติเราก็ช่วยกายช่วยใจเรากายที่มันหลง มันก็บอกเราเราก็ต้องให้มันเกิดความรู้ใจที่มันหลงเราก็เพิ่มความรู้ให้มันมันแสดงแสดงความหลงให้เราเห็นอยู่พอเราสร้างความรู้ห ล, ลงไปในทางอะไรแยะๆมันเคยไหลไปทางไหนพอเราลุ ก, ากตัวมันก็จะเห็นมันจะต้องซ่องมันก็บซ่องแสงกายใจของเราที่เคยหลงความหลงไปไหลมาเราก็เอาความรู้ ไปใส่ไปซ่อมจงที่มันหลงเหมือนซ่อมรถซ่อมเครื่องโยนกลไกลเข้าอู่ซ่อมมันมีจุดให้เราซ่อมอยู่เยอะแยะหลงไปทางกายหลงไปทางเวทนาหลงไปทางความคิดหลงไปทางบาปอกุศลเป็นสุขเป็นทุกข์ ไปกับจิ็งต่างๆพอเรามีสติมันก็คืนมากลับคืนมามารูบสึดตัวไม่มีอะไรช่องมีสติเลื่อยไปมันจะค่อยดีขึ้นในบางทีมันก็เห็นผ่านหน้าผ่านตาเราจริงๆอันสิ่งที่มันไม่ดีมาทางความคิดก็มีพยาบาทเกิดขึ้นมานั่นแหละเราเห็น ถ้าไม่เจริญสติจะไม่เห็นหรอกมันจะเป็นกับสิ่งต่างๆไปเลยเกิดพยาบาทก็คือตัวคือตนเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดลเลิกเกิดชั่งก็คือตัวคือตนพอมาเจริญสติมันจะเห็นมันไม่ใช่ตัวใช่ตนเห็นเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาเป็นอาการที่มันแสดงออกเราก็เห็นเราก็ เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาอย่างถูกต้องเพราะเรามนสติเรายกนิยมสร้างจังหวะเราลูบจิตตัวอยู่ดีๆอามันเกิดอะไรขึ้นมามันก็ไม่ใช่ความรู้แล้วเราก็กลับมามาสร้างความรู้จิตตัวทุกครั้งที่มันไปทางอื่นแล้วก็กลับมาลูบจิตตัวบางที่เราจะเดินอยู่มาจจะล้มไปทางอื่นแล้วก็กลับมา เดินให้มีความรู้สึกตัวอยู่ครับทําอย่างนี้มันเป็นการพัฒนาอยู่ในตัวหรือว่าพัฒนาอยู่ในตัวแล้วความชั่วทําความดีอยู่ในตัวอิด ก, ก็บริสุทธิ์ไปเรื่อยๆค่อยสะอาดไปเรื่อยๆพอมันหลงไปก็รู้เนี่ยหลังจากชักแล้วเปลี่ยนแล้วเอาออกแล้วความหลงเอาความหลงออกแล้วมีความรู้เข้ามาแทน ตรงกันข้ามอะไรที่มันเกิดขึ้นมาความรู้สึตัวเนี่ยเป็นตัวฉเฉลยเป็นตัวที่ใช้งานได้อย่างยอดเยีย่ยมความรู้สึกตัวขอให้เราก้มหน้าก้มตาสร้างไปมันจะแปลสภาพไปเป็นสิงเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นยานเป็นฌานมันอย่างลูก มันทะลุทะลวงได้มันมีมากยานเนี่ยเมื่อมันเกิดความคล้องหลายอย่างก็เกิดพลังแห่งยานปัญญาทำให้ข้ามพ้นความโลภความโกรธความหลงได้จริงๆก็ ยกมือไหว้ตัวเองได้เทอมันผ่านมาได้ไม่ใช่ว่าเราจะมีอะไรก็จะมีอยู่นะมันก็ไม่ใช่มีความโกรธก็โกรธจนตายมีความหลงก็หลงจนตายมีความทุกข์ก็ทุกข์กขกจนตายมันไม่สมควรเมื่อลงมาดูเขาจริงๆแบบขนหัวลุกผลหัวลุกมันเราจะเกลียดที่คนอยู่นั่นจนตายหรือ ก็ไม่ใช่เหมือนเราไปประเทศอินเดียเราเห็นคนอินเดียเนี่ยเขาอยู่กับมูดกับคูดคนจันทานเขาเลี้ยงลูกอยู่ค่างข้างรถสถานีรถไฟลอกตัวเขามีแต่มูดคูดมีขี้มีเยี่ยวเหม็นแต่เขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละ แล้วก็ลู ก, กมาดูดนมเองเมื่อมาดูดนมแล้วก็มันก็คานออกไปเล่นมอมแมมมาเล่นมอมแมม ป, ป่าเปะเลอะเทอะข้ออันโน้นอันนี่มาเล่นมากินแล้วก็คานมาดูดนมแ ม, แม่แม่ก็นั่งอยู่เฉยๆนะทําได้ไหมนะว่าเราทําได้ไหมใครเลี่ยงลูกแบบนั้นใครทําได้นะทําได้ปอฮะ พอได้พ อ, อได้รับรองม่าพอได้เอไม่จะไปทําได้ยังไงทําไมจึงทําบ่ได้ความเมตตาสงสารการรับผิดชอบการรับผิดชอบในโลกรับผิดชอบต่อลูกคนชกปกก็เอาไปล้างโอ๊เมือมันเตื่อนโคตรเอาไปล้างทันทีทันทีลูกมันขี้ก็ให้มันเกลียกขี้อยู่ท่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ย เรามาเป็นคนศาสรแล้วไปเห็นอย่างนั้นมันเป็นไรฉันไทยก็ดีสางปฏิบัติทรรอันนั้นเป็นเรื่องของภายนอกเรื่องภายในน่าเกลียดกว่านั้นเข้มความหลงอย่างเนี้ยมันเปะเพื่อนนะอยู่ดีๆมันสร้างตัวลูกอยู่ดีๆมันผุดคิดไปโอ้ยผลหัวลูกไ ม, ลไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกลับมากลับมากลับมาลู่สึกตัวเนะลู่สึกตัวเนี่ยแกวเลยบันมี ถูกต้องถูกต้องตัวรูสึกตัวตัวรูดึกตัวเดือดเป็นการละความชั่วเป็นการทำความดีที่สมบูรณ์แบบนั่งอยู่เฉยๆก็ทําบุญนั่งอยู่เฉยๆก็สร้างกุศลอมันเป็นเลยใจดีใจงามไปเรื่อยๆละความชั่วทําความดีอยู่เรื่อยๆความรู้จึกตัวก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความหลงก็น้อยไปเรื่อยๆไป ความช่วงกดละไปโดยนรูติตัวดีไมด่ดีความโลภความโกรธความหลงอะไรตั้งไม่มีทีให้ตั้ตั้งไม่ติดนะมันก็มีความดีเพราะไม่โลภพราะไม่โกรธไม่หลงเขามาแทนกุศลมาแทนอกุศลเสื่อมไปมันก็เกิดคุณภาพคุณธรรมขึ้นมาเห็นดนกเห็นใจ โดยเฉพาะจะปรากฏชัดที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่คุณครูอาจารย์แต่เมื่อไม่ปฏิบัติยังไม่คิดเห็นเท่าไหร่คุณพ่อคุณแม่ยังเฉยอยู่พอมาปฏิบัติทำเห็นรูปเห็นนามเนี่ยโอ้ยน้าตาไหลสงสารตัวเองสองสารพ่อแม่เราทำให้ใครเป็นทุกข์ เราทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ใช่ไหมใช่เคยโกรธเคยทุกข์ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวอยู่กับความโกรธได้เอาความโกรธจะอ้างอ้างกันก็นกนไมีบางคนมึงไม่รู้จะ ก, กูโกรธให้มึงเลยไปอ้างกันนาอ้างพอลรามารู้จักร่วมนามเรอ เราเปี่ยนตัวเราสงสารตัวเราโซบลีกินเล่าเหลยเกี้ยวเตเล่นล่อนเลยน้ำตามันไหลไม่ร้องให้นะแต่น้ำตามันไหลสงสารนอกจากนั้นก็สงสารพ่อแม่เราไม่รู้เราไม่รู้จักไม่รู้จักบุญไม่รู้จักคุณยังเฉยบางทีเอาความทุกข์ไปให้พ่อให้แม่ด้วย นะเราไปเปตียนเรามารู้จักตัวพอรู้จักลูกจากนามโมโธเริ่มใช่นี้แล้วบ่ะบอกกับตัวเองเอาลูกนะลกูกตั้งแต่เป็นรุ่นเป็นก้อนตั้งแต่ปลายเล็บเท่าจนถึงศีสษะเส้นผมจะไม่ใช่ลกูกที่ำความชั่วเด็ดขาดนาม้ม ค, ความรู้สึกความคิดจะไม่ใช่นามทของชั่วใช่นี่แล้วปะจะทําแต่ความดีใช่ลูกทำความดีใช่นามทำความดีนั่งอยู่เฉยๆก็ทำความดีไ ม, ม่เปลี่ยนแล้วหายใจเข้าหายใจออกก็ทําความดีทำควาดีกับลมหายใจ ทำความดีกับตากับหูกับจมูกลิ่นกายใจหลกโรคจิตเสียงมีโอ ก, ก, ก, ก, กาสก็ทำกันดีความดีจากสิ่งอื่นมละถูอื่นโดยไม่ยากมีอะไรก็เมตตามาก่อนความเมตตากรุณามาก่อนแต่ก่อนต้องความยินดียินร่ายมาก่อนความรักความชังความพอใจไม่พอใจมาก่อนพอเห็นโลกหนนามแล้วโอเมตตากรุณา เห็นโลกเห็นใจมาก่อนเลยสติมาก่อนใครทั้งหมดเลยเอาที่เข้าทางนะเห็นทุกเห็นลูกทุกเห็นน้มทุกทุกของลูกทุกของน้มโอ้ใช่นี่แล้วบัดนี้นะในเนี่แล้วสมมุติมันหยัดวัตถุอาการต่างๆที่เราเกี่ยวข้องในตัวนอกตัว เป็นบุญอย่างไรเป็นบาปอย่างไรสร้างบุญสร้างอย่างไงสร้างกุศลทางสร้างอย่างไงละบาปละอกุศละละอย่างไรตรงเป๊ะเลยบัดชัดเจนเห็นแจ้มสาบาตก็เห็นจริงจริงละได้จริงๆบุญก็เห็นจริงจริง ท, ท, ท, ทำได้จริงๆแล้วก็มีบุญได้จริงจริงใจมันดีนะ ทำไมจะเรียกว่าไม่เรียกว่าบุญใจมันดีกว่าเก่าเนี่ยมันมีแต่เมตมตากรุณาเนี่ยมีแต่ความให้อภัยกันอยู่นี่นี่มันเป็นบุญแต่ก่อนให้อภัยอะไรก็ไม่ได้วดเวทเพียนตัวเองให้ความโกรธนอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามคืนแบบ น, นี้มันไม่เป็นอย่างนั้นโอ้มันเป็นบุญใจมันดีกว่าเก่ามีผัชนฉลาดออกจากทุกเป็นมีทุกเท่าไรก็ปล่อยไปเท่านั้น ละเท่านั้นไม่ให้ค้างไม่ให้เหลือในแต่บุญในแต่กุศลเข้าไปแทนอย่างนั้นก็เลยเห็นช่องเห็ุทางเป็นการเลื่อนฐานะของจิตวิญญาณของเราแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสิ่งอื่นวัตถุอื่น ถึงเวลาก็ทำได้นารักเม็ดเห็นเม็ดดินรักต้นไม้รักทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก่อนมันมีความรักความชังถ้าชังอันไหนก็ปฏิเสธแต่รักอันไหนก็เอาเฉพาะเรื่องที่มันเป็นลาขะรักก็รักแบบเพื่อเห็นแก่ตัว โกดก็เป็นการโกดเพื่อเห็นแก่ตัวไม่มันเห็นแก่คนอื่นสิ่งไหนเป็นความชั่วเรื่องของเขาแต่ว่าให้เป็นเรื่องของเราสิ่งไหนเป็นความดีเรื่องของเขาให้ขอให้เป็นเรื่องของเราไปเห็นช่วงมันสจบกมันเป็นความชั่วเป็นเรื่องของเราไปเห็นอะไรที่มันไม่ดีไม่งามมันเดียดเบียนกันเห็น ยิงไม้มันผับถัดทับต้นไม้เล็กๆเป็นเรื่องของเราเข้าไปช่วยเสนอมันมีวิญญาณแห่งโพธิสัตว์เข้ามาเทนช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ไม่ใช่ว่าจะไปช่วยเหลือแต่พ่อแม่โอ้ยเรื่องพ่อแม่เรื่องผู้มีพระคุณบทรญาศามีมันตรงอยู่แล้วนะ ต้องถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขก่อนใครก่อนใครทั้งหมดถ้าเป็นการใช้เน่ก็ก่อนใครทั้งหมดเอาละสามารถพูดออกมาเลยว่ า, า, านั่งอยู่นี้ไอแม่เราอยู่นู่นอยู่ บ, บ้านโน้นเราปฏิบัติทำเรานั่งอยู่นี้พูดออกมาในหัวใจว่าโอ้แม่คุ้มค่าแล้ว ที่พ่อเลี้ยงลูกมาที่แม่เลี้ยงลูกมากุ้มค่าแล้วลูกของพ่อลูกของแม่คนนไ้ไม่เป็นคนช่วยเด็ดขาดนะมันจะพูดออกมาแต่ว่าไม่ได้พูดต่อหน้าพ่อแม่ แ, แต่มันเป็นความสารภาพลึกๆนะเป็นการสารภาพลึกๆออก่อนทัทนทะีแล้วก็เป็นจริงๆนะก็เป็นจริงๆไม่ใช่เพ้อฝัน ความจริงมันต้องสัมผัสได้ต้องสัมผัสได้อย่างน้อยเราก็ต้องมีคนลภาพคุณธรรมอย่างนี้ขึ้นมาในชีวิตจิตใจเราพอจะเป็นธรรมที่อยู่กับพระพุทธเจ้าก็มาจะคิดอยู่ในหัวใจเราสักนิดหน่อยเกิด ค, ความนตาตาชวนน่าเกิดคิดเกิดสมนึกขึ้นมาแล้วก็ทา อาจจะเป็นพุโทโธเลือจะเป็นพระอะ่รเงี้อาจจะบอกไปแบบโอ้ความเป็นพระเป็นอย่างนี้อความเป็นเทวดาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความเป็นพรหมเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันก็ต้องต่างเก่าค้นพระว่าเก่าในการปฏิบัติธรรมนะ ไม่ใช่เพ้อฝันไม่ใช่สุ่มไม่ใชเ่เป็นหมือนเราจเจริญสติเนี่ยเพราะเราสรัมผัสตาย้อยู่ยกมือขึ้นลูบสึดตัวเดินจงกรมลูบสึกตัวหายใจเข้าหายใจออกลูบสึกตัวเจ้าเนี่ยคนมีความลูบสึกตัวเนี่ยจะว่าอย่างไงไม่ใช่ผลหลง แล้วเวลามันหลงเราก็รู้สึกตัวเนี่ยเราทํากับความหลงมาเป็นความรู้เน่ยนี่เป็นงานเป็นการของเราเป็นตัวปฏิบัติจริงๆไม่ใช่กินตจยานถ้าเห็นอะไรก็เห็นจริงๆเห็นความหลงก็เห็นจริงๆเห็นความทุกข์ก็เห็นจริงๆเห็นความสุขก็เห็นจริงๆเห็นพยาบาทก็เห็นจริงๆ เราสร้างความลู่มันน่ามันนิ่งไม่เหมือนความหลงความหลงมันน่ามันเป็นคลื่นความหลงมันเป็นคลื่นของมันกิดนําที่วันนี้คลื่นความลู่มันกิดน่ามันนิ่งน่ามนิ่งก็ย่อมมองเห็นตัวปลาหรือเห็นปลามันบ่อนปลาบ่อนแบบนั้นปลาอะไรแต่น่านิ่งคนลู่สึดตัวมันนํานิ่ง ความเกิดความสงบตอบปัญหาได้เห็นปัญหาะถานที่สงบทำให้การตอบปัญหาชีวิตได้คนมีสติคนมีความรู้สึกตัวน่ไม่เป็นคนที่กาลังดูการดูงานทำงานทำการเป็นงานเป็นการไปในตัวการเจริญสตินะแล้ ว, ว ก, ก็นอกจากนี้ก็เยอะแยะพวกเรา ช่วยเราอยู่ระเบียบวินในเพศวัยแบบฉบับต่างๆที่เราได้มาจากพุทธศาสนามากมายสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดความดีะแค่ใยมีพิจุสงมีบาจบมีวายิกาวัดว่าอารามมีระเบียบมีวินยัยช่วยเราเป็นกรอบเป็นพิมพ์ หล่อหลอมพวกหล่ออ่านสวดมนต์ไหว้พระเยอะแ ย, ยะหมดเลยเรามาใช่ดุนดุนก้อนๆดุนๆุนดอนดอ น, น, นไม่ใช่มาเรามาสวดมนต์ไหว้พระสาธยายธรรมอรหังสมมาสัมพุทโธพุว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอหรหันโอ้อหรหันคือใครผู้ไกลจากทิเลศทิเลตคืออะไรคือสิ่งที่ทำให้จิตใจเศร้าหมอง อะไรที่มันทําให้จิตใจเศร้าหมองเราก็เห็นเราก็ทําแล้วมันเปื้อนเราทําให้มันสะอาดหัวงงเอาเ h a r n e เราทําให้เกิดความรู้สึกตัวปัญญาบาศ ท, ที่มันคิดขึ้นมาเราปล่อยเราวางในความรู้สึกตัวค า, คามมลภาคะเกิดขึ้นมาในความรู้สึกตัวความตั้งเลยสงสัยเกิดขึ้นมาในความรู้สึกตัว ความคิดพงชาติาเกิดขึ้นมาในความโูภสิบตัวเอาอย่างนี้กับพเพื่อไปความโลภสิกตัวเป็นหลักสร้างให้เมีสร้างให้เด็กสร้าง ใ, งางใมันเด็กเป็นกรรมต้องทําตรงนี้ให้มันสมกับว่ากรรมมาถาังมันจะมีอารมณ์เกิดขึ้นให้เราเห็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปไม่ใช่ไม่ใช่คนนั่งหลับตาจะไม่เห็นเล คนลืนตาตาในของเรามันลืมึ้นมาแล้วดูกายของเราเคลื่อนไหวดูใจที่มันคิดลึกมันจะแสดงเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างไรเราก็คอยดูไปดูไปต้องดูให้มันเห็นครับเห็นความหลงก็ดีแล้วเห็นความสุขก็ดีแล้วเห็นความทุกข์ก็ดีแล้วเห็นอะไรอะไรก็ดีเราจะได้เห็นให้มันเห็นให้มันเกิดการเห็นอย่าโกกเปื่อน แต่มันง่วงบางคนก็กรเกลื่อนไอยังนั่งสับงงกอยู่ที่จะดูที่มาตื่นขึ้นมาดูมันรู้สึกเปิ้นตาขึ้นยืดตัวขึ้นวางใบหน้าใหม่ตั้งใจใหม่ให้มันรู้สึกตัวอย่าไปกรเกลื่อนปิดบังอัมพาสติต้องเป็นสติรู้สึกตัวต้องเป็นรู้สึกตัวหลงก็ต้องเป็นหลง ไม่ใช่เครื่องหลงเครื่องรู้การทำความเขียนการเจริญสติต้องจับให้มั่นขั้นให้เหนียวโบราณทันว่ามันจึงไม่หลุดไม่หลอยตอนที่ความหลงหน่าจะเกิดความรู้ก่หลงไปอยู่ด้านไหนความหลงก็เกิดความหลงความหลงแทนที่จะเกิดความรู้ทำให้คนละมุมก่อนเห็นความหลงและ เ, เรื่องดีเห็นความทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องดีขอให้มันเห็นอีกงจริงแต่ถ้าเครื่องลูกเคองหลงมันไม่ดีนะตรงคืนแทรกซึมไปด้วยการแทรกซึมเนี่ยมันเป็นไปได้แทรกซึมไปตัวความหลงก็หลงเป็นนิ้อใสแทรกซึมไปตัวความทุกข์ก็ทุกข์เป็นนิ้อส่กว่า น, นี้เราไม่ให้มันแทรกซึมเรารู้จักตัวนคนละมุมกันเลยวันหน้ามือหลังมือเปลี่ยนมา อาจเตียนมีความเพียรมีความพยายามใส่ใจตรงนี้แล้วรู้สึกตัวรู้สึกตัวเวลาอะไรมันเทิงขึ้นบอกว่ารู้สึกตัวกลับมาให้ไใบใบทำใบใบก็ชาหน่อยก็กพยายามทําให้มันใบใบกลับมาลูไวไว่ใบใบอาทีมันไปคิดคิดไปคิดไปแล้วแต่กลายเป็นกลายเป็นอารมณ์ มันไม่ไหวมันยาวเกินไปพอมันคิดไปเรากลับมาเนี่ยก ว, ว่าไหวไหวถ้าไปแล้วจนไปเกิดกินดีจนไปเกิดกินไา่จนไปเกิดความชอบความไม่ชอบมันเนิ่นช้าไปแล้วทางคนคงไปแล้วมันไม่ตรงไม่ด่วนเสียเวลากนะารปฏิบัติธรรมบางทีก็ต้องอเย็น เห็นไหมหลวงพ่อฟังนัวนเทพหลวงปู่เทียนนะไปปฏิบัติธรรม ท, ทีแรกอพอทําไปทําไปโอ้ยขี้เกียจหลวงพู่เทียนเลยไม่อยากทำแบบนอนจะนอนสัมผัสแล้วก็นอนจริงๆหลวงปู่เทียนสไัยเป็นคราวญาวนนะัะใส่กางเกงขาสั้นปฏิบัติธรรมนอนกั น, น่อนพอนอนแล้วตื่นขึ้นมายัค่อยทำอ่ะ พอตื่นขึ้นมาก็ามาทําอีกก็ขี้เกียจอีกอกน็นอนอีกนะหลงฝุ่เทียนนะนอนอีกอ้าตื่นขึ้นมาเอากุ๋ยเอามาจริงๆกันนะนั่งยกมือสรางจังหวะสร้างจังหวไปไม่นานเนี่ยพอเจ้าจริงๆนะการนอนเพื่ออะไรนอนเพื่อจะทําไม่ใช่นอนเพื่อแพร่นะเราปฏิบัติทำกันวันกัน มีโอกาสนอนก่็นอนแต่ว่านอนเพื่อจะทํางานให้ใช่นอนเพื่อที้แพ้อะไัยพักได้ฮเราทําไปทําไมก็พักได้พักเพื่อจะให้กําลังมันเกิดใหม่เพื่อจะสู้กันเมงง่วงกว่านอนเลยว่านอนแต่ว่ากลางคืนนอนให้พอนะวันไหนเรงพ่อนอนตั้งแต่ห้ามงขึ้น ไปไประชุมนั่งหลังคดหลังงอเมือ่อไรใครย่อยทั้งว่าไม่เหมือนบ้านแล้วกลัามาถึงวันก็อถ้าเหนื่อยแล้วปวดปวดปวดต้นขาทัมผัาปวดข้อปวดแขดนรีบอ่านหน้านอนเลยตื่นเที่ยงคืนเถอดีกแล้วก็แล้วก็หายแล้วนอนเพื่อจะทํางานนะนอนเพื่อจะเป็นอารมณ์เป็นคนพิเศษไม่ใช่ลักษณะของการนอนอาจจะต่างกันนะ เราทํากลางียนบางคนก็นอนเพื่อขี้เกียจขี้คลานก็ไม่ได้นอนอย่าเพื่อความขี้เกียจขี้านนอนเพื่อจะทํางานอันน่นได้ไม่เป็นไรนะตั้งนอนกลางคืนก็นอนให้พอถ้าเครื่องนอนเอ้าเครื่องหลับเครื่องลู่เครื่องหลับเครื่องลู่คู่กันไปมันไม่ดีหรอกเหนื่อยมากๆก็พักผ่อนนะแต่พอพูมีอายุนะไปนั่งสู่จนหลั ง, ลงหดหลังห่อเดี๋ยวมันเข็ดหลั จะไม่เอางานเอาการพักผ่อนได้แต่มันมีกําลั ง, ละลงระหว่างทำมาลงโปรเทียนไปปฏิบัติที่แรกท่างก็นอนสองรอบสามรอบน อ, อนเพื่อมาทำพอทําก็ทำจริงจริงอ่านีน้พักก็พักนอนก็นอนทําก็ทำํำนี่การปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะทําไม่ได้เราที่เกยียดขนาดไหนก็ทําได้คอามรู้เจ็ดตัวเลยมันเป็นคนละอันเดียดก ความรู้กับความหลงเน่ะมันชัดอยู่คนละกองกันอยู่อเวลาบางทีก็อยู่ตรงกลางยังไม่ทำอยาเข้าไปอยู่ในความหลงเอาไว้ตรัวมากความหลงความรู้ไว้ตงนมานเราจะมานอนเนี่ยพักผ่อนเนี่ยเอาแรงสักหน่อยอ๋อเติมสมาธิไปจับความรู้ไม่มันจะหลงก็ไปจับความรู้ความหลงจะดึงไปเราก็จับความรู้เหมือน อั่นเป็นเพรานี่นี่คือนี่ตัวหลงนะอตัวลูดเนี่ยตัวลูดเนี่ยตัวลูดมันอยู่กับตรงกลางเนียตัวหลงมันออกไปอตัวลูดเอาขึ้นมาอหลงไปเอาไปลูดขึ้นมาปฏิบัติขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอย่างนี้นะปฏิบัติทำมันไม่หนักอะไรมันหลงไปขึ้นมามันลูดสุดตัวเนอนขึ้นมาแล้วมันลงไปก็ขึ้นมาแล้วลูดสุดตัวนี้สิ่งที่ช่วยเราเยอะ รีบทรูปแบบนิมิตช่วยได้เยอะแม้าต่ตบขาไหนก็รู้ได้ถ้ามันง่นวงมากๆก็ตบแรงๆอย่าไปทำค่อยๆ บ, บ, บางคนพอมัง่วงก็อ่อนแอออกแฝดออกแฝดมัอแอร์ได้เลยเพิ่งกันปึ๊บปึบตบขาแรงๆกึบโตขึ้นมาโตขึ้นมาตับางคนพอง่วงแบบอกแฝดออกแ ป, ป, อกแปอดอ่อนแอได้ดีแตขึ้นแข็แง วันนี้ก็พ่อสินแม่สินเาจะมาสมทานสินพร้อมกันประกาศสิน